เรื่องของแท้โดยสมศรีอยู่ประสิทธิ์ลูกเข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดครั้งแรกเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราชส5 5 0เนื่องจากระลึกถึงคำพูดของหลวงพ่อสังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมที่เคยบอกกับลูกศิษย์ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าองค์หลวงตามหาบัวนี้ของแท้ ซึ่งก็เป็นจริงตามคําของท่านเพราะยิงใกล้ชิดและได้เห็นความเมตตาที่องค์หลวงตามีต่อลูกศิษย์และคนทั่วไปยิ่งทราบซึ้งในเมตตาธรรมของท่านที่ส่งเคราะห์โลกยังไม่มีประมาณทําให้รู้สึกสํานึกผิดอย่างมหันเพราะลูกเคยคิดผิดคิดตําหนิท่านว่าไปที่ไหนมีแต่ไปรับเงินรับทองซึ่งจริงๆแล้วท่านรับแล้วท่านก็แจกจ่ายไปตามที่เห็นสมควรลูกคิดผิดมากจึงขอกราบขอเข้ามาขออโหสิกรรม ขอองค์หลวงตางดโทษล่วงเกินอย่าให้เป็นบาปกรรมเลยเจ้าค่ะผลการปฏิบัติธรรมที่เข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดัดคือลูกเดินจงกรมได้คราวละ 3-6 ถึงชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเดินจนเหมือนเท้าไม่ติดพื้นมันเบาเบามากเดินจนฝ่าเท้าปริแตกพอออกจากทางเดินจงกรมจึงรู้ว่าก้าวขาแทบไม่ออกซึ่งปรากฏการเช่นนี้ลูกไม่เคยทาไดมาก่อนเลยในชีวิต ช่วงระยะเวลาที่อยู่ในวัดนี้แม้ว่ายังไม่ถึงปีแต่การได้เห็นปฏิปทาการปฏิบัติตนขององคหลวงตายิ่งนับว่าเป็นบุญของลูกอย่างหาที่สุดมิได้ลูกจะขอปฏิบัติบูบชาเพื่อผลบุญจะได้รักษ า, าธาตุขันของท่านให้แข็งแรงมีอายุยืนนานตลอดไปลงชื่อสมศรีอยู่ประสิทธ